4. ี่อนาุสุตวักหมวดว่าด้วยธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนหนึ่งอนนุสสตสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้คือการพิจารณาเห็นกายในกายจากสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าการพิจารณาเห็นกายในกายนี้ควรเจริญจากสุเกิดขึ้นแล้ว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 วิราคสูตรที่สองจบ 3. วิรัตสูตรว่าด้วยทำที่บุคคลพลาดภิกษุทั้งหลายสติปฐานสี่ประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้ว อริยมรรคมีองค์8ดที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วสติปทานสี่ประการอันบุคคล เ, เหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารบแล้วอริยมรรคมีองค์8ดที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปราลบแล้วสติปทานสี่ประการอะไรบ้างคือพิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง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 ภิสุทั้งหลายสติปทานสประการนี้อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้วอริยมรรคมีองค์8ที่ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้วสติปทานสประการนี้อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารบแล้วอริยมรรคมีองค์8ดที่ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารบแล้ว วิรัตสูตรที่สจบ 4. ภาวิตสูตรว่าด้วยผู้เจริญสติปัฏฐานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สติปฐานสประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถึงฝั่งโน้นจากฝั่งนี้สติปทานสประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย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 สติสูตรว่าด้วยผู้มีสติสัมปชัญญะเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวาทีภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายภิกษุผู้มีสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 คือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเวทนาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปมีวิตกปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปมีสัญญาปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปภิกษุผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายสติสูตรที่หจบ 6. อัญญาสูตรว่าด้วยเหตุให้บรรลุอรหัตผล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 หรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีอัญญาสูตรที่หจบเจ็ดชันทสูตรว่าด้วยผู้ละชันทะภิกษุทั้งหลาย สติปทานสี่ประการนี้สติปทานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมละฉันทะความพอใจในกายนั้นได้ เพราะละฉันทะได้จึงทำอมะตะนิพพานให้แจ้ง 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ย่อมละฉันทะในเวทนาทั้งหลายเพราะละฉันทะได้จึงทำอมะตะให้แจ้งสาม พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมละฉันทะในจิตเพราะละฉันทะได้จึงทำอมตะให้แจ้ง 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมละฉันทะในธรรมทั้งหลายเพราะละฉันทะได้จึงทำอมะตะให้แจ้งฉันทะสูตรที่เจ็ดจบ 8. ปปริญญาตสูตร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 เพราะกําหนดรู้กายจึงทําอมตะให้แจ้ง 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ย่อมกําหนดรู้เวทนาเพราะกําหนดรู้เวทนาจึงทําอมตะให้แจ้ง 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมกําหนดรู้จิตเพราะกําหนดรู้จิตจึงทําอมตะให้แจ้ง 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายย่อมกำหนดรู้ธรรมเพราะกำหนดรู้ธรรมจึงทำอมตะให้แจ้งปริญญาตะสูตรที่8ดจบ 9. ภาวนาสูตรว่าด้วย การเจริญสติปัฏฐานภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงการเจริญสติปัฏฐานสี่ประการเธอทั้งหลายจงฟังการเจริญสติปัฏฐานสประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิในนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2.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 วิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกสติปทานภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสติปทานการเจริญสติปฐานและปฏิปทาที่ให้ถึงการเจริญสติปทานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสติปทานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายนิกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 คือภ <c ười> ิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายอยู่ พ, rica rica rica พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายอยู่ 3. พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิตและถึง 4. พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับ ในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานปฏิปทาที่ให้ถึงการเจริญสติปัฏฐานเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แปดได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา สสัมมารกรรมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงการเจริญสติปทานวิพังกสูตรที่10บจบอนันตุสุตตวัคที่สี่จบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. นึ่อนุสุตตะสูตร 2. วิราคสูตร 3. วิรัธสูตร 4. ภาวิตะสูตร 5. สติสูตร 6. อัญยาสูตร 7. ชฉันทสูตร 8. ปริญญาตะสูตร 9. าภาวนาสูตร 10. วิพังคสูตร อมตวักหมวดว่าด้วยอมตะหนึ่งอมตะสูตรว่าด้วยอมตะเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่ประการอยู่เถิดอย่ามีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่เลยและอมตะนิพพานพึงมีแก่เธอทั้งหลาย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 มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสีประการนี้อยู่เถิดอย่ามีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่เลยและอมตะพืงมีแก่เธอทั้งหลายอมตะสูตรที่หนึ่งจบ สมุทยะสูตรว่าด้วยความเกิดแห่งสติปัฏฐานเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัถีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดและความดับแห่งสติปัฏฐานสประการเธอทั้งหลายจงฟังความเกิดแห่งกายเป็นอย่างไรคือเพราะอาหารเกิดกายจึงเกิดเพราะอาหารดับกายจึงดับเพราะผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิด เพราะภาษาดับเวทนาจึงดับเพราะนามรูปเกิดจิตจึงเกิดเพราะนามรูปดับจิตจึงดับเพราะมนสิการเกิดธรรมจึงเกิดเพราะมนสิการดับธรรมจึงดับสมุทัยสูตรที่สองจบ มักสูรว่าด้วยทางเดียวเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเราเมื่อแรกตรัสรู้อยู่ใต้ต้นไม้อชปารณิโครธริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาตํตำบลอุรุเวลาหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความราพึงขึ้นมาว่า ทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยายะธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งคือสติปัฏฐานสี่ประการสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุหนึ่งพึงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พึงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ 3. พึงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 4. พึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อก้าวล่วงโศกะและบริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนต์เพื่อบรรลุยายธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ่มคือสติปัฏฐานสี่ประการลำดับนั้นเท้าสหัมบดีพรมทราบความรำพึงของเราแล้วจึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏตรงหน้าเราเปรียบเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉนนั้นครั้นแล้ว เท้าเธอคมผ้าชเวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือมาทางเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวลวงโซกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุ ย, ยธรรม เพื่อทํานิพพานให้แจ้งคือสติปฐานสีประการสติปทานสีประการอะไรบ้างคือภิกษุ 1. ึ่งพึงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พึงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พึงพิจารณาเห็นจิตในจิต สี่พึงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโซกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยาะธรรมเพื่อทานิพพานให้แจ้งคือสติปัฏฐานสีประการ ภิกษุทั้งหลายเท้าสหัมบดีพรมเดียกราบทูลคำนี้แล้วจึงได้กล่าวคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นธรรมอันเป็นส่วนที่สุดสิ้นแห่งชาติทรงอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลทรงรู้จากทางอันเป็นทางเดียวซึ่งเหลาบัณฑิตได้ข้ามมาก่อนแล้วจากข้ามและกาลังข้ามโอคะได้ด้วยทางนี้มัคคสูตรที่สาจบ สสติสูตรว่าด้วยผู้มีสติเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายภิกษุึ่งมีสติอยู่เถิดนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายภิกษุผู้มีสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 นี่เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายสติสูตรที่สจบ 5. กุชละราศีสูตรว่าด้วยกองกุศลภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงสติปฐานสีประการเพราะกองกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือสติปทานสี่ประการสติปทานสี่ประการอะไรบ้างคือภิสษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2.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 เพราะกองกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือสติปฐานสี่ประการกุศลราศีสูตรที่หจบ 6. ปาติโมขสังวรสูตรว่าด้วยปาติโมขสังวร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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเพราะเหตุนั้นเธอจงทำเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายให้หมดจดก่อนอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายคือในธรรมวินัยนี้เธอจงสำรวมด้วยสังวรในพระปาติโมคเพียบพร้อมด้วยอาจาระมารยาทและโคจรการเที่ยวไปมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมมาธานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดเมื่อใดเธอจกสัมรวมด้วยสังวรในพระปฏิโมกข์ี่พร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเมื่อนั้นเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปทานสี่ประการสติปทานสี่ประการอะไรบ้าง คือในธรรมวินัยนี้เธอ 1. จงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. งจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. จงพิจารณาเห็นจิตในจิต 4. จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุเมื่อใดเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจากเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้อย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนและวันที่จกมาถึงไม่มีความเสื่อมเลยลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วจากไปต่อมาเธอเข้หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนปวดเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่า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 มีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเพราะเหตุนั้นเธอจงทําเบื้องต้นในครูสุนธรรมทั้งหลายให้หมดจดก่อนอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกรูสุนธรรมทั้งหลายคือในธรรมวินัยนี้เธอจักละกายยทุจริตแล้วเจริญกายยสุจริตจัจกละวจีทุจริตแล้วเจริญวจีสุจริต จากละมโนทุจริตแล้วจเจริญมโนสุจริตเมื่อใดเธอจักละกายทุจริตแล้วจเจริญกายสุจริตจากละวจีทุจริตแล้วจเจริญวจีสุจริตจากละมโนทุจริตแล้วจเจริญมโนสุจริตเมื่อนั้นเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีนแล้วพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้าง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 กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อใดเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจากเจริญสติปัฏฐานสีประการ น, นี้อย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงหวังความเจริญในกุณธรรมทั้งหลายตลอดคืนและวันที่จกมาถึงไม่มีความเสื่อมเลยและถึงอันหนึ่งภิกษุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย ทุจริตสูตรที่เจ็จบ 8. มิตรสูตรว่าด้วยการชักชวนมิตรให้เจริญสติปัะฐานภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใด และคนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมาตยตาสาโลหิตก็ตามให้ความสำคัญคำที่ควรรับฟังเธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่นให้ดํารงอยู่ในการเจริญสติปัฏฐานสี่ประการสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 เเวทนาสูตรว่าด้วยเวทนาภิกษุทั้งหลายเวทนาสประการนี้เวทนาสมประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมาสุขเวทนาเวทนาสประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสประการ